การอยู่ที่นี่มันมีสิ่งที่ทดสอบสติของเราทดสอบความอดทนของเราและขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่จะให้เราเรียนรู้ได้นี่มันก็มีทั้งบวกและลบอันนี้มันก็เป็ น, เ, ปนเหมือนกับรางวัลของการปฏิบัติก็ได้ ความยากลำบากนะของที่นี่นะมันก็เป็นสิ่งที่เรายอมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันนะเพื่อจะแลกกับความสงบความสงบกับความสบายบางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะ แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ก็เริ่มแยกห่างกันไปเรื่อยๆที่ที่ไหนสบายก็ไม่ค่อยมีความสงบเท่าไหร่สงบในที่นี้หมายถึงความสงบภายนอกนะเช่นเสียงผู้คนที่ไหนที่สบายคนก็ไปกันอยู่เยอะร้อยพ่อพันแม่ ออยู่แล้วก็ตามด้วยความกุะทึกวุ่นวายในที่ไหนที่ไม่สบายไม่สะดวกคนก็ไปกันน้อยความสงบก็เกิดขึ้นได้ง่ายแม้จะมีคนนะก็ล้วนแต่มีความคิดตรงกันนะนะถึงมาอยู่ ถ้าจะมาเอาความสนุกเอาความสะดวกความสบายส่วนใหญ่ก็คงไม่มาที่นี่หรือไม่มาสถานที่แบบนี้ mm hmm. เมื่อมีความคิดตรงกันนะมันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น mm hmm. ก็เอื้อต่อความสงบภายในด้วย แต่จะให้ราบรื่นไปเสียทั้งหมดมันก็ไม่ดีนะกลายเป็นความเพลิดเพลินหลงไหลเกิดความชัาดใจแล้วนำไปสู่ความประมาทช่อยที่ราบเรียบเกินไปราบรื่นมากๆนี่มันก็มีโทษเหมือนกันเมื่อขับรถเนี่ยขับรถ ขับรถทางไกลแล้วขับรถทางไกลเป็นชั่วโมงๆและเป็นทางที่ดีนี่อันตรายก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นบางที่บางแห่ง ก, ก็ทำเป็นคล้ายๆเหมือนกับทางโค้งบ้างหรือแม่ก็ทำเป็นมีมีคล้ายตัวลูกรันนาเล็กๆ หรือว่าทำให้ถนนนี่มันขรุขระ บ, บ้างเพื่อคนที่ขับรถเพลินๆจนกระทั่งเกือบจะง่วงหลับพอมีอะไรขยาบนะพอทางขรุขระ บ, บ้างรถก็จะขยิวก็ตื่นขึ้นมาอันนี้ในในในหลายประเทศเช่นอเมริกานี่ถนนเขายาวเป็นพันๆกิโล ค้ามระหว่างรัฐนี่ข้ามทะเลทรายก็ไปหาทางที่ทําให้ทําไม่รับเรียบหรือว่าสะดวกสบายมากหรือตรองเกินไปงั้นคนขับไปขับไปก็หลับแหลับลก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้เรื่องเกิดความฉลาดใจแล้วเกิดความประมาทที่นี่ก็ไอาการที่มีความไม่สะดวก หรือว่าปัญหาอยู่บ้างก็ดีเหมือนกันปัญหาหนึ่งนะก็คือที่เกิดขึ้นก็คือจากลิงนะลิงนี่มันก็เรียกว่าสร้างปัญหาให้กับพวกเราชาววัดพอสมควรเรียกว่ายิ่งกว่าพวกหนูพวกอาจจะอา จ, จะมากกว่าพวกปลวกสวนะุ่เ ปัญหาของลิงนี่นะนอกจากที่มันมีมือนะที่จะจับช่วยอะไรได้ง่ายแล้วก็มีขาที่แข็งแรงทนำะให้ป่ายปีนได้สะดวกคนละ่อยคร่างคล่องคล่วว่องไวตามไล่ไม่ทันแล้วนี่มันมีความฉ ล, ล, นะลาด้วยนะความฉลาด มันรู้ว่าของอะไรกินได้กินไม่ได้มันรู้ว่าของนี่เก็บไว้ไหนนะเก็บใส่ตู้หรือว่าใส่ห้องมันก็หาวิธีเปิดจนไดนะ้และของที่มันขโมยมาเนี่ย มันก็รู้วิธีที่จะกินกัดถึงจะใส่กล่องมันก็หาทางเปิดมาจนได้ความฉลาดของมันเรียกว่ามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราฉลาดอย่างไรมันก็ความฉลาดของมันก็ไล่ตามทันเรา อันนี้เป็นพ่ออะไรนะมันไม่ใช่เป็นพ่อมันมีสมองอย่างเดียวนะแต่เป็นพ่อมันมันมันเรียนรู้ด้วยมันเรียนรู้ตลอดเวลายิงเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วมันเรียนรู้จากอะไรนะมันก็เรียนรู้จากการเฝ้ามองมันเฝ้ามองมันดูเรา มันดูพฤติกรรมของเรามันดูเรานะเรียกว่าตลอดเลยบางทีเรานึกว่ามันไม่ได้สนใจเลยนะแต่มันก็เห็นนะเพราะการดูของมันทำใมันเห็นว่าเราเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนเรากินอะไรบ้างมันเห็นเรากินนมกล่อง ผลไม้กล่องมันก็หมายตาแล้วก็สังเกตว่าผลาไม้กล่องนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามที่จะขโมยละช่วงชิงมาให้ได้อะไรที่เราไม่กินไม่แตะนะมันก็ไม่สนใจเหมือนกันไอลิงเวลามัน มันดูเราเนี่มันต้องใช้่าเฝ้ามองยนะแล้วมันก็จะดูอย่างนิ่งๆถึงแม้ว่าลิงมันเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแต่มันไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่มันเฝ้ามองเรามันจะหยุดมันจะหยุดเคลื่อนไหวมันก็จะมองนนะอาจจะวอกแวกบ้างแล้วก็กลับมามองเราใหม่ การมองการสังเกตของมันเนี่ยทำให้มันมันเรียนรู้อะไรได้มากมายเรามักจะนึกภาพลิงว่าลิงมันช่วงที่นะชอบซุกซนวุ่นวายอยู่ไม่เป็นที่นะก็ดิกอยู่ตลอดเวลานะอันนั้นก็จริงส่วนแต่ว่าเวลามันเฝ้าดูเราวนี่มันนิ่งเลยนะ แล้วมันสามารถดูเราเนี่ยได้นานทีเดียวเราต่างหากที่ไม่มีสมาธิหรือเวลา น, านานมากพอที่จะดูมันถ้าเรามีความอดทนนะแล้วก็มีเวลาเฝ้าดูมันเราก็จะเรียนรู้อะไรนะจากมันพฤติกรรมของมันได้มาก บนงทีก็ไม่รู้นะว่ามันรู้รู้จักเราเรียกว่ามันรู้จักเรามากกว่าเรารู้จักมันได้ซ้ำเพราะมันมีเวลาเฝ้าดูเวลาเฝ้าดูจ้องมองอยู่ น, น, นานๆอย่างนิ่งๆซุ่มตัวดูบางทีจนกระท่าเราเริ่ว่ามันไม่มีมันอยู่แล้วเพราะมันไม่เคลื่อนไหวเม่กระดิกเลยอย่างนี้ถ้าเรา เอานิสัยเฝ้าดูเฝ้ามองของมันนี่มาใช้นะกับการดูกายดูแต่งเรานี่ก็คงจะดีไม่น้อยการเฝ้ามองของมันนะอย่างนิ่งๆแล้วก็อย่างอย่างอดทนนะไม่รู้จักเบื่อทำให้มันเนี่ยรู้จักเรา ทำให้มันเกิดปัญญารู้ว่าจะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนเผลอเมื่อไหร่แล้วก็จะหาประโยชน์จากเราหรือจะช่วงชิงอะไรจากเราได้อย่างไรถ้าเราเอานิสัยนี้มาดูกายดูใจนี่มันจะเยี่ยมมากเลย ดูกายดูใจด้วยความอดทนนะแล้วก็ดูด้วยความนิ่งนะแต่ว่าพวเรานักปฏิบัติหรือไม่ใช่นักปฏิบัติก็ตามนอนไม่ค่อยมีความอดทนในการดูกายดูใจเท่าไหร่แล้วก็เวลาดูก็กระสับกระส่าย ใจมันไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆเท่าไหร่การดูกายดูใจก็ไม่ต่างจากการดูใจดูกายดูใจของนักปฏิบัติก็ไม่ต่างจากการที่ลิงมันดูเรามันไม่ค่อยต่างัเท่าไหร่ดูเฉยๆนะแค่ดูเฉยๆก็เกิดปัญญาแล้วแต่มันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทน เลยียงก็ไม่มีปัญญามากไปกว่าเรานะพูดถึงความสามารถของสมองแต่มันก็รู้จักเราได้มากแล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากเราเห็นจุดอ่อนของเรารู้ว่าเรามวลไหนเผลอในทางเดียวกันถ้าเรา รูจักเฝ้าดูนะกายและใจอย่างนั้นมากเนี่ยก็จะเห็นเห็นกายและใจนะรู้จักกายและใจมากขึ้นนะัถ้าาใช้เอานิสัยการหมั่นสังเกตเฝ้ามองนี่มาดูนะมาดูกิเลส ข, ของเรามันก็จะเห็นนะว่ากิเลสงเรานีะ่มีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง แล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะจากกิเลสมันก็หลิงที่มันสามารถเอาตัวรอดได้นะจากเราเราจะทำไงกับมันนี่มันก็เอาตัวรอดได้เพราะมันสังเกตมันเฝ้ามองมันรู้เพียงแต่ว่าเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากมากที่มันไม่รู้จักอันนี้มันก็จะเสร็จได้ แต่มันก็จะเสร็จได้ครั้งสองครั้งเท่านั้นแล้วมันก็จะไม่พลาดเราจะเอาอะไรดักมันก็ตามจะเป็นกรงจะเป็นอา่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามนะจะเป็นบ่วงนะหลุมมันก็จะเผลอหรือพลาดครั้งสองครั้งบางทีครั้งเดียวนั่นแหละ น่กจากนั้นก็จะไม่พลาดอีกหรือว่าอาจจะเสร็จแค่ตัวเดียวแต่ไม่สามารถจะจัดการกับตัวที่เหลือไนดะ้เพราะตัวที่เหลือมันก็เฝ้ามองมันก็รู้ว่าอ่อไอเครื่องมือนี้นะกรองนี้บ่วงนี้นะหลุมนี้มันเป็นอันตรายแล้วมันก็จะไม่เผลอไม่พลาดอีกมันรู้ได้ไันรู้จักการเฝ้าดู ไม่ต้องคิดเอานะแค่ดูเฉยเมก็เห็นแล้วให้ปัญญาในทางธรรมมก็เหมือนกันนะมันไม่เกิดจากการคิดเอานะําแต่มันจะการเฝ้าดูดูไม่ไม่ดูอะไรดูกายและใจและการดูนั้นก็ต้องใช้ความอดทนดูไว้เรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เราคือาอดทนน้อยคนสมัยใหม่นี่ ในบางแง่นะอดทนมากกับเลียงอยู่นะถึงแม่เลีงดูหมายว่ามันทุกทุกๆุกตลอดเวลาแต่ถึงเวลาที่มันจะอดทนเฝ้าดูเพื่อการเรียนรู้นี่มันก็ให้เวลามันก็ยอมอดทนได้นานทีเดียวเจนี่คนสมัยใหมน่นี่แค่อ่านหนังสือนี่ย้อหน้าเดียวก็ก็ไม่อยากอ่านแล้วมันยาว ยิ่งถ้าอ่านหนังสือหนึ่งหน้านี้ไม่อ่านเลยไม่มีความอดทนนะที่จะอ่านแล้วเวลาจะมาดูนะดูกายดูใจนดูได้ไม่นานก็ถามแล้วว่าเมื่อไหรจะเมื่อไรจะเห็นผลสักทีนะทำประเดี๋ยวเดียวก็ถามถามหาผลล้อันนี้เลเพราะไม่มีความอดทนใจร้อน น, นถ้าเราอดทนแบบลิงบ้างเนเวลามันดูเฝ้าดูเราเนี่ยการปิวัติทรงเราก็จะเจริญนะก้าวหน้านะเกิดปัญญามากบางคนก็เอาแต่คิดเนี่ยคิดเนี่ยพยายามมาคำตอบด้วยการคิดมันก็ไม่ไม่ไม่ได้คำตอบนละลิงถ้ามันคิดเอาเนะมันไม่ได้มาดู เราจชอบมองกคงจะเสร็จเราเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่มันคิดเอามันคิดตามภาษาโง่ของมันนะตอนเมื่อมันเห็นของจริงมันดูเราสังเกตพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนพฤติกรรมของพระพฤติกรรมของชีมันก็เห็นความแตกต่างสังเกตพฤติกรรมผู้ชายสังเกตพฤติกรรมผู้หญิงมันก็รู้ว่า ใครที่น่ากลัวใครที่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือว่าไม่มีน้ำยามันก็รู้ไม่ได้คิดเอานะแต่เกิดจากการเฝ้าดูอย่างอดทนแล้วก็อย่างที่บอกเวลามันดูนี่มันนิ่งเลยนะมันนิ่ง ถ้าใจเราไม่นิ่งนะการเรียนรู้มก็เกิดขึ้นไม่ได้นะแล้วถ้าใจเราไม่นิ่งเนีการที่จะเห็นอะไรตามความเป็นจริงก็ยากรู้ซื่อๆรู้เฉยๆที่ครูบาอาจารย์บอกนี่ความหมายหนึ่งก็คือว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ต้องไปผักใส่ไล่ส่งไม่ต้องไปเริ่มค้อยหลงไหล ไม่ต้องวิาพากษ์วิจาร์ไม่ต้องตัดสินแค่ดูเฉยๆอีกความหมายก็คือรว่าดูนิ่งๆนะแค่ตอนที่รู้เนะี่ยก็รู้นิ่งๆจนะเฉยๆเฉย ๆ, ๆความหมายคือนิ่งๆนะ้าจิมันไม่นิ่งมันมั น, มนฟุ้งซ่านมันพรงต่งตาเวลาไอ้สิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่ของจริงแท้ จิตของเรามันต้องนิ่งพอที่จะตื่นจะเห็นความจริงของกายและใจได้ด้วยนี้เนี่ยการการที่เรามาอยู่ในสถานที่ที่มันสงบหรือว่ามีกิจน้อยมีการพูดคุยน้อย มันก็ทาให้ใจเราช่วยให้ใจเรานิ่งได้แล้วการนิ่งก็จะทำให้เราได้เห็นได้เห็นความจริงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราแตกต่างกับลิงก็คือลิงไ ม, ใมง่ใช้ตามองนะใช้ตามองแต่เราเนี่ยใช้ใช้สติดูนะใช้สติดู อันนี้เรื่อตาไหนดูกายและใจการที่จริงมันไม่ใช่แค่ดูกายและใจเท่านั้นแม้กระทั่งดูธรรมชาติรอบตัวนั่นถ้าเราดูด้วยใจที่นิ่งดูโดยที่ไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่ง สังเกตมันอย่างที่มันเป็นก็สามารถจะเกิดปัญญาเห็นธรรมได้นะหลวงพว่อเข็นท่บอกเนี่ยว่าคนเรานี่สามารถบรรลุธรรมได้จากการสังเกตธรรมชาติจากการสังเกตธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ท่านก็หมายความทั้งธรรมชาติภายนอกต้นไม้ป่าเขาลำธาร ธรรมชาติภายในนะก็คืออารมณ์ความคิดนึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจรวมทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานการสังเกตนี่มันเป็นสิ่งสำคัญบางอย่างเราก็สังเกตด้วยตาถ้ามันเป็นธรรมชาติภายนอกแต่ว่าใจเราก็ต้องเปิดรับ บางอย่างก็ต้องอาศัยความคิดเพื่อโยงเข้ามาหาตัวเช่นใบไ ม, ม้เนี่ยเยวลาเราไปมองดูผ้าทิศขึ้นผ้าทิศตกนยะเราถ้าเรามองสังเกตเฉยๆไมมีอะไรแต่ถ้าเราลองน้อมเข้ามาถึงตัวเราเองเออคิดล้วก็เหมือนกับผ้าทิศนะตอนเด็กๆก็เหมือนว่าผ้าทิ์กำลังขึ้นหนุ่มสาว ก็ไม่ต่างจากพาที่ที่ขึ้นสูงนะแดดแรงแต่าพาที่นี่ในสูงก็ต้องคล้อยต่ำนะเราก็รับขอบฟ้าชีนเราในสูงก็ต้องรับจากโลกนี้ไปเหมือนกันเมืนะ่อพิจารณาแบบนี้มันก็เกิดความตื่นตัวนะ เห็นดึงความไม่เที่ยงชีวิตแลาทำให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นอันนี้เราน้องเข้ามาใส่ตัวนะโอปะนุยโกโดยการที่เราสังเกตรธรรมชาติภายนอกแล้วเราน้องเข้ามาสู่ตัวเราดบางทีเห็นเพียบแดดเนี่ยเพียบแดด น, นะเห็นเพียบแดนไหวๆนะบางทีมันเหมือนก่มีเมือก็มี มีน้ำมีแหล่งน้ำอยู่ข้างหน้าแต่พอเราเดินไปเดินไปเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเพราะมันเป็นเพียงแค่มายาภาพเราก็นง้ามาใส่ตัวก็เห็นเออไอตัวเรานี่มันก็ไม่เที่ยงนะเหมือนกับเพล้แดนสิ่งนันก็เป็นแค่มายาที่ปรากฏอยู่แค่ชั่วคราวบางทีเห็น น้ำค้างชาวตรูเสร็จแล้วไม่นานก็ะเหยหายไปดูว่าถ้าดูไปเฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้า น, น้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นความไม่เที่ยงชิตเหมือนกันความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตเราอันนี้คือการที่เราเกิดปัญญาจากการสังเกตธรรมชาติแล้วก็เห็นธรรมขึ้นมา ที่จริงไม่ใช่แค่ธรรมชาติเดียวนะแม้กะทังสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมามันก็สอนธรรมได้นะอย่างเทียนนะที่มันลุกเจอนี่มันสว่างก็มีหลายท่านบรรลุธรรมนะจากการที่เห็นเทียนมันเห็นเปลวไฟจากเทียนหรือจากประทีปแล้วมันก็ดับลงมันสว่างแล้วมันก็ดับนะี ในง า, านกิสากตมีก็บรรลุธรรมนพระอรหันตจากการที่ได้นะขณะที่เดินจงกรมแ ล, แล้วจนดึกแล้วก็พอจะเข้ามาก็ดับประทีป พ, นะพอดับปุ๊บนี่กิเลสจิตก็ลุกโผง่เลยนะเกิดปัญญาเห็นธรรมเพราะแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์ เป็นความไม่เที่ยงของสังขารจากจากประเทศหรือจากเทียนอันนี้เกิดาการสังเกตด้วยใจที่ใจที่วางนะใจที่เปิดกว้างใจที่มีสตินะตื่นเต็มร้อยนะพอแล้วนี่ปัญญาก็เกิดขึ้น ที่จริงว่าคงมีการสะสมกันมาพอสมควรนั้นนะแล้วพอได้เห็นอะไรแค่นิดเดียวก็สะ ก, กิดนะทำให้ปัญญาี่มันลุกโคลงขึ้นมาทันทีนี่อย่างพระจุลปันตะกะเนี่ยก็บรรลุธรรมจากการที่เอามือลูบลูปผ้าขาวลูบลูบแล้วก็บริกรรมราชโชหารนังราชโชหารนัง บริกรรมจงทางจิตเป็นสมาธิแล้วใครที่เป็นสมาธินี่นก็เห็นผ้าขาวนี่มันคล้ำก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าจิตของเราก็กขาวแต่มันคล้ำเพราะกินเละนะมันหมุนมองเพราะกินเละเห็นโทษของกินเละเห็นโทษ ข, ของการปรุงแต่ง ก็จุดประกายให้ปัญญาเกิดจะหลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้เกิดจากการสังเกตเหมือนกันนะาการดูดูโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเห็นอย่างนั้นเหงีงนี้ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูด้วยตาเนื้อนะแต่ว่าต้องอาศัยตาในเลยนะยหัใจก็ต้องเปิดกว้างอยู่กับปัจจุบัน ตเต็มเต็มตื่นตเต็มร้อยการสังเกตในการเฝ้าดูเปนะ็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับไม่ใช่แค่การอยู่รอดนะทางโลกนะแต่มีความสำคัญสำหรับการที่จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเลยจนถึงขั้นรอดจากทุกข์ได้ ดูด้ตาในดูอย่างมีสติอดทนนะจิตก็นิ่งดูไปดูไปดูไปเรื่อยๆไม่เบื่อไม่ท้อไม่ เ, เร่งรีบแล้วก็ไม่คาดหวังอีนะงมันก็ดูนะมันก็ไม่คาดหวังว่ามันจะต้องเห็นอะไรแต่สิ่งที่มันเห็นมันก็ทำให้มัน เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาร่างกายเรียนรู้คนเราเนี่ยเกิดจากการสังเกตเนการสังเกตต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความนิ่งถ้าขาดความอดทนนถ้าใจร้อนมันก็การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ยากมันได้แต่คิดเอาเนะคิดเอาแล้วถ้าคิดไม่ทะลุคิดไม่ตลอดพราะไม่อดทน มันก็ไม่เกิดปัญญาเหมือนกันแต่นั่นเป็นปัญญาทางโลกองใัยการคิดได้เยอะแต่ปัญญาทางธรรมก็ต้องเกิดจากการที่สังเกตเฝ้าดูและเครื่องมือหรือวิธีการในการสังเกตในการเฝ้าดูคือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นวิธีการนะเป็นเป็นเป็นสูตรเลยนะ สูในการในการในการเฝ้าดูในการสังเกตไม่เราก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูอะไรดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกายกับใจเน้นจะว่าไปานี่ไอ้ลิงนี่มันก็เป็นอาจารย์สอนเราได้มันไม่เพียงแต่แค่ฝึกฝึกให้เรารู้จักอดทน ฝึกให้เราไม่ประมาทฝึกให้เราไม่พลั้งเผลอนะรู้จักวางของเป็นที่ไม่เปิดช่องนะให้มันเข้ามาช่วงชิงขโมยแล้วนะขณะเดียวกันก็ไม่ไม่ประเมินมันต่ำํำนะแต่ก่อนที่เราไม่รู้จักปริมเนี่ยเราก็เราก็เชื่อมันโง่นะ เรเชี่ยวเดีมคงไม่ทำหรอกแต่ว่าประเมินผิดแต่ก่อนที่กุฏีเนี่ยนะก็ไม่เคยไม่เคยปิดหน้าต่างเลยนะ <c oughs> บางทีเปิดประตูได้ซ้นะํามาทําวัดก็แค่ปิดประตูหน้าต่างนี่เปิดหมดเพราะว่าขโมยขโมยไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยมีนะแล้วก็รู้ว่ามีลิงเนี่ยแต่ก็คิดว่าเดีลิงมันก็ไม่เข้ามาหรอก แต่นี่ก็เรียกว่าเราประเมินมันต่ํำนะเรียกว่าดูถูกมันก็ได้นะตอนเราก็เข้ามาสร้างความปั่นป่วนนะเข้าของกระจัด ก, กระจายหมดนะมันค้นหาอาหารมันเจอแต่หนังสือก็กวาต่างๆหมดบางทีมันเจอพวกยาเยิ้มก็กินนรืว่าเป็นอาหาร้เราก็ได้เรียนรู้เออเราประมาณมันไม่ได้นะบางที แม่ครัวก็ประมาทนะเปิดเปิด ต, ตัวไว้นะคิดว่าออกไปเดี๋ยวเดียวเพราะว่าพอออกไปจากครัวเพลินทำโน่นทำนี่แทนนิกทีแล้วนึกว่าไปปุ๊บเดี๋ยวกลับเข้ามาเพรากว่าติดลมนะอยู่ข้างนอกอยจงเพลินทำโน่ น, นทำนี่ลมก็เชื้ออากาศเข้ามาหรือแม่แต่และคิดว่อไปออกไป ออกจากคัวมาที่ใต้ถุนนี้สักประเดี๋ยวเท่านั้นแหละไม่ไม่ต้องปิดก็ได้อันนี้ก็ประมาณนะเพราะว่าแม้เพียงแค่ไม่ถึงห้าวินาทีมันก็มากพอสําหรับมันที่จะเข้ามาขโมยอาหารหรือสร้างความป่ น, ป, นป่วนวุ่นวายกับเราได้เราก็ได้เรียนรู้จากมันเพื่อที่ไม่ประมาทในความไม่ประมาทความตื่นตัวนี่มันก็มีประโยชน์นะทําให้ เรานะไม่ไม่เผลอทําอะไรที่อเกิดปัญหามันก็สอนให้เรารู้จักนะตื่นตัวระมัดระวังนะในเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เพราะเรื่องเลียงอย่างเดียวนะอย่าประเมินอะไรต่ําการประเมินต่ำํำนี่กถ็ถือว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งบางทีเห็นขับรถเราก็เห็นโค้งคเขี้ยวไม่มีอะไรนะ เราก็ามันมีอะไรเนี่ยเพราะว่าโค้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะก็อุปัติเหตุขึ้นมาก็มากมายนั้นอย่าประมาทไม่ได้ชาติพุ่กันท่านนี้นะกราบ ค, ครับ